อ, ออขอมวยพรญาติโยมทุกคนนับเป็นเวลาหลายปีที่อาตมาไม่ได้จัดคอร์สรยะยาวเพราะอะโอกาสไม่อำนวยแล้วอาตมาก็มีภารกิจที่จะต้องไปอสอนในต่างประเทศนั้นแล้วก็อาตมาก็ทำการสอนญาติโยมทั่วๆไป ให้เข้าใจถึงเรื่องทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติแบบาสาธิตเท่านั้นะคือว่าทําให้พอเข้าใจหลักการเท่านั้นเองไม่ได้หวังผลของการปฏิบัติอย่างจริงจังเท่าไหร่ท่นชัก็ต้องการจะให้โยมเอาไปทํากันเองแต่เวลานี้อายุอัตมา ก, ก็มากแล้วก็สอนมาก่นนาน กว่า20ปีอาตมานีนศึกษามา30ปีตั้งแต่บวชศึกษาธรรมะมาก่อนบวชด้วยซ้ำต้องบวชมา30ปีแล้วถึงมาสอนญาติโยมสอนมาละ20ปี20กว่าปีแล้วก็คิดว่าจำนวนผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่สนใจการสอนในระบบะอาตมาเนี่ยก็มีมากพอสมควรจึงคิดที่จะสอนในระยะยาว เพราะว่าการปฏิบัตินี่จะให้ได้ผลจริงจังนี่ต้องอย่างน้อยต้องเจ็ดวันใช้เวลาเจ็ดวันพุทธเจ้าสมบอกว่าต้องใช้เวลาเจ็ดวันถึงเจ็ดปีเจ็ดวันอย่างน้อยเจ็ดปีต้องติดต่อเลยนะอืมจึงจะได้ผลบ้างตามปริบีของแต่ละคนพุทธเจ้าการันตีว่าถ้าติดต่อไม่ขาดเลยนี่ เวันถึงเจปีเนี่ยอย่างน้อยอนาคามีท่านวางนนะแต่สําหรับเรานี่ยคงยากเพราะว่าบา ร, รมีไม่พอนี่มันไม่ติดต่ อ, อกลัวไม่ติดต่อก็ต้องเริ่มตั้งใหม่นะมันเรื่องเรื่องเป็นยังไงนะถ้าบา ร, รมีไม่พอแต่กเ็เราต้องพยายามทําไปทําไปได้เลยเพราะว่าการปฏิบัติจริงๆนี่ต้องใช้อย่างน้อยเจ็วันพพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมด ตอนที่ก่อนจะได้เป็นตัตรูปเป็นสมมาสัมพุทธเจ้านี่ต้องใช้เวลาปฏิบัติอย่างน้อยเจ็ดวันแต่พุทธเจ้าของเราเนี่ต้องใช้เวลาถึงหกปีมากเลยสุดมากเลยเดียวจึงจะได้ตัตรูปเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นอาตมาถึงจัดคอร์สครานี้ถึงเจ็ดวัน เต็มเลยทีเดียวพ้นจะได้ไม่ได้มันก็ไม่แปลกอะไรแล้วเพราะยิ่งทำทำไปเราก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปผู้ที่จะมาปฏิบัติณนะที่นี้เนี่ยในคลอดนีน้จะต้องมีความพร้อมคือว่าอันแรกก็คือว่าต้องมีศรัทธานะมีศรัทธาในผู้พุทธธรรมประสงค์ศรัทธาในตถาคตโพธิญาณคือว่าตัตตุการตัตตุุของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเด็ดตัตตุลุ ของจริงทีเดียวคําสอนของทุกศาสดาเดาเท่านั้นเนี่ยเพราะไม่รู้จริงเกียบเส ม, มือนคนตาบอดขับช้างเน่ะทุกคนอยากจะรู้ว่าช้างเป็นยังไงทุกศาสดาแต่คลําไปคลามาคํามาคําไปก็ว่าไปคนละอย่างต้องอย่างต่างสมมติฐานไปคนละอย่างต้องอย่างขนัดนี้คนเดากันไปคนละเรื่องอืนั่นแหะ คือคำสอนเป็นปรัชญาหมดแม้กระทั่งมือมีพระเจ้าพระเจ้าคือการสมมติว่ามันคงจะมีพระเจ้าองค์นึงมาบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทำางนั้นอา้าวทำตามพระเจ้าขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ไม่ทำตามพระเจ้าก็ตกนรกชั่วนี้รั้นดทุกศาสนาก็มากับสอนไปงั้นอา้าวบางศาสนาก็เช่นฮินดูนี่เขาก็มองไกลกว่านั้นเขาก็เห็นว่าสวรรค์นี่ไม่ชั่วนิรันดร์ พยายามไปได้ถึงพรหมก็คิดว่าพรหมในชั่วนิรันดรเหมือนกันไปลวงก็พรหมได้ก็ไปชั่วนิรันด์แต่ก็ไม่มีอะไรชั่วนีรนันดหมดจากพรหมก็กลับมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ทําชั่วก็ลงนรกได้อีกนี่ไม่มีอะไรชั่วนิรันด์พระเจ้าเท่นั้นที่มองเห็นที่จะไปจนถึงเขาทั้งพ้นจากทุกได้จริงๆนี่เราปรุงคาน้ำมาสอนเนี่ไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ คิดเอาหรือเดาเอาขาดคะแนนก็โปร่งเห็นของจริงจึงมาสอนอันนี้พวกเราเนี่ยโชคดีที่เห็นความจริงที่พปร่งมาสอนโปร่งสอนเรื่องของความจริงนั่นแหละแม้กระทั่งสมัยนี้นี่วิทยาศาสตร์คิดยังไงให้เก่งยังไงก็ตามก็ไปสามารถจะอลบล้างขับสอนพอระเจ้าได้นี่ไหมในความจริงความจริงก็คือความจริงนั่นแหะย่อมมีหนึ่งเดียวไม่มีสอง อันต่อไปก็คือว่าเราจะต้องมีการเสียสระอเสียสระอย่างที่ระมาเสียสระเรื่องทรัพย์สินเงินทองบ้างที่จะเดินทางมาเสียสระความสนุกสนานเพิดเพลินอันเพื่อมีเพิ่งได้เสียสระอะไรต่างๆที่จะมาอยู่ที่นี้ต้องมีการเสียสระอันที่สามก็คือว่าต้องมีความแนงหัแนมีความ มั่นใจมีความใจถึง อ, อันนี้สําคัญเลยท่านเรียกว่าภาษาบาลีว่าปานิหิตโตปานิฮิโ ต, โตคือความมีใจแน่วแน่ที่จะมาทําความดีคนเรานี่คิดว่าอยากจะทําความดีทุกคนคิดอยาแต่ทว่ามันก็ผัดวันประกันพกุกคิดว่ารอไปก่อนรอไปนู่นเรื่องไอ้นี่เรื่องไอ้นั้นสคัญกว่าเรื่องอนี้สําคัญกว่าคิดไว้เงี้ย เพราะไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมะที่จะพัฒนาจิตั้งเราให้พ้นจากทุกนี้อันนี้เพรา ะ, ะนั้นต้องมีความมั่นใจแน่วแน่เลยมีใจถึงจริงๆถึงจะมาได้เนี่อาตมาได้ต้องคอสนี้อาตมาจึงบอกว่าถ้าใครมาก็ต้องมาเลยเจ็ดวันกลับไม่ได้ต้องใจถึงแล้วก็เหนื่อยทีเดียวนะ่ะอันต่อไปก็คือว่า ต้องมีความอดทนเนียเลยอยูเอเย่เพราะว่าเราปฏิบัตินี่เป็นการพัฒนาจิตที่จะเดินทางเข้าสู่ความสูงต้องใช้ความเพียรไม่ใช่มาภาวนาแบบสบายแบบพักจิตอืแบบพักจิ ต, แบบจตทุ่งๆไปเนี่ยเข้ามานั่งภาวนาก็สบายนั่งสบายไปเรื่อยๆไปแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเรามาพัฒนาจิตฝึกการควบคุมจิตฝึกการคิดในทางที่ถูกต้องคิดที่จะให้หมดกิเลส ี่เพราะนั้นเราต้องคิดไปนในทางมันลงใต้สํ า, านึกลงถึงฐานของจิตมันก็เหนื่อยทีเดียวเลยนี่นี่เรื่องเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเอาจริงจริงแข็งจังเลยต้องใช้ความอดทนทีเดียวแล้วการปฏิบัติข้อนี้ธรรมะจะไม่พูดมากเท่าไหร่หรับเพราะว่าคิดว่าทุกคนเนี่เราก็รู้แล้วในเรื่องในเรื่องทฤษฎีพอเราถือว่าปฏิบัติมา ก, กันมากแล้วเราจะเอา การปฏิบัติเป็นสวยใจพยายามทำให้ได้หลักของการภาวนาก็ไม่มีอะไรหรอกทางการภาวนานี่มีทางเส้นเดียวแต่ทานะการพัฒนามีเส้นเดียวแต่นะั้นคือทางมรแปดนะั่แะมรแปดครๆก็รู้กันนะพูดมรแปดนี่ถ้าเราศึกษากันมาดีแล้วนี่คำพูดมรแปดเนี่เราก็รู้ว่าอะไรคืออะไรเรื่องพฤติกรรมของชีวิตทั้งหมดนั่นเองอ่ะ ถ้าจะพูดจะย่ไม่ไม่มีอะไรมากพฤติกรรมทั้งหมดเลยในชีวิตสมัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ปูนี่ก็คือว่าคิดอืให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิคิดให้ถูกอสัมมาสังก ป, ปูก็ตั้งใจให้ถูกตั้งใจจะจะให้พ้นจากทุกข์จริงๆอืงสัมมาวาสัมมาวาจาคือพูดให้ถูกต้องพูด ใ, ในทาที่ดี ไม่เดือดร้อนคนอีกสมารกรรมโตคือว่างานงานการงานอิเลก็กงานอะไรที่เราทําต้องให้เป็นงานที่ถูกต้องสมาอาชีวุลการอาชีพมาชอบเวลานี้เราก็ตัดหมดพวกนี้เราตัดหมดการอาชีพเราไม่มีอะไรแล้วเวลานี้กินไปวันวันมีอะไรกินก็กินไปวันวันนั้นตอนนี้เราหยุดก่อนสมาอาชีวุลมมา วายโมโความเพียรชอบแล้วต้องเพียรพยายามในทางที่จะให้พนทุกข์ตัวหนึงแสมาสติสมาสมาธิสม า, ส, ม า, ส, ต ส, มาสติก็พยายามทำสติในทางที่ถูกต้อง ต, ตัตมสมาสติสมาสมาธิในทำคือพฤติกรรมทั้งหมดของชีวิตอันหนึ่งไม่ใช่อะไรอื่น ตั้งแต่การคิดการพูดการกระทําทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยให้พุ่งมาในทางที่ถูกต้องที่จะให้พ้นจากทุกจริงๆนี่คือมาแปดย่ยอลงมาสำหรับชาวบ้านก็ฐทานศีลภาวนาทานที่เราเสียสลักเพราะเรายังมีวุ่นวายในเรื่องวัตถุอยู่ทั้งของชาวบ้านอันนี้เป็นหลักแล้วก็ ทำมารักษาศีลภาวนาต่อไปทีนี้เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วเนี่ยเรามารวมกันแล้วเนี่ก็ย่อลมาเหลือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องหนักในเรื่องของศีลทีนี้ข้อวัดปฏิบัติเพราะเรามารวมกันละละจากบ้านมาแล้ะไม่อยู่รวมกันนะต้องเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักต้องมีกฎเกณฑ์ของสังคมนะเอาต้องมีกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่โดยย่อ ก, ก็อยู่ในโอวาสปาติโมกของพระเจ้าอนาอนุประวาโดอนุประฆาโตไม่ไปทําลายกันไม่ไปพูดลายกันไม่พูดเสียดสีกันไม่พูดก็ทะเลาะกันทั้งการกระทําและการพูดไม่ไปว่าร้ายเก่าลายกันปาติโมกเคจะสร้างวารูนี่ถ้าเป็นชาว บ, บ้านอันนี้โยมที่มานี่ยเราต้องมีศีลทุกคนต้องรักษาศีล เราถือสิบแปดเป็นหลักสิบห้าคือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งกายและวาจาสิบแปดคือซ้อนกับาอีกอย่างลวงเขไปอีกอย่างคือไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลินล่นรสสัมผัสเราถือสิบแปดเป็นหลักอนุปวัตดานุกัคคะโตปาติโมเคจะสังวโรมัตตัญญาจะพัตตานิ่งนี่สํมรวมในภาชนะเราให้กินข้าวมือเดียวถือทุดงเลย โยมถือธุดงจิงข้ามูดีคนเดียวเห็นไหมรู้จักประมาณในพภชนะแล้วก็ปันตัญจะเสนาสนังนั่งนอนในเสนาสนะที่สงบเราอยู่รวมกันก็จริงแต่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำไมไม่ไม่คุกคลีกันอันนี้สำคัญนะคอดนี้เราควรจะทำอย่างนั้นถ้าคนที่ปรารถนาที่จะพัฒนาจิตจริงๆต้องทำเช่นนั้น ิจิตเตจะอายุสุดท้ายก็คือว่าพยายามเพียนเพ่งอธติจิตทำสมาธิแล้วก็ทำปัญญาต่อไปนี่นี่คือหลักการที่เราจะพัฒนาจิตมันมีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี่อย่ย่อ ๆ, ๆที่ที่เราจะต้องทำกันที่เำามาอยู่นี่คือศีลสมาธิ ป, ปัญญาเราต้องใช้จุดนี้ หลังจากที่เรามันนั่งภาวนาจริงๆแล้วเราถึงจะย่อนมาอีกเป็นสติสมาธิปัญญาเราจะพัฒนาจิตโดยตรงเลยที่ต่อไปอันนี้อันนี้คือหลักการที่เราจะต้องทำกันต่อไปภายในเจ็ดวันนี้ก็หน่วยน้อยทีเดียวนี่เราจะสอนไปตามลำดับบรรยายน้อยทำให้มากะนั้นคอยทุกคนจงตั้งใจ ที่ที่จะปฏิบัติกันนะพราะเราตั้งใจมาแล้วเสียสละมาแล้วมีศรัทธามาแล้วเสียสละมาแล้วใจถึงมาแล้วอะไรต้องใช้ความอดทนต่อไปแล้วก็ปฏิบัติออกจริงออกจังต่อไปผลก็ต้องดมได้ตามความปรารถนาของแต่ละคนอาจฉันฟันบอกว่าทําเล่นก็ได้ผลเล่นเด็นทาจริงก็ได้ผลจริงนั่นเท่า น, นั้นเองมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรา เอาต่อไปนี้เราก็ไหวพระสวดมนต์เยอะ